ยังไม่รู้สิ่งที่สมมุติน่เกิดือว่าเราตายด้านเราตายด้านมันด้านการศึกษาธรรมะนี้ดูปรา่าเปล่าดีมากที่สุดแต่ว่าศึกษาไปเท่าใดก็ยิ่งสงสัยขึ้นมาเท่านั้นความสงสยัยเนี่ยเป็นคมทุกข์หรือคมทุขถ้าหากคนที่ไม่สลาดกับคนโง่เป็นคําเดียวกันนะคนที่ไม่สลาดเ้าเลยไม่รู้ว่าอันนั้นเนี่ยทุกข์คนโง่ก็เช่นเดียวกัน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 จะรู้เพราะว่าเราไปอ่านหนังสือไปถามคนนั้นคนนี้จดต่จำไม่ได้ไม่ได้โดยเด็ดขาดที่หลวงพ่อพูดทําไมหลวงพ่อพูดแต่ความเก่าอย่างนี้ควมใหม่ไม่มีหรือหลวงพอ่ออาจจะมีคนสงสัยเรื่องแบ น, นั้นก็ได้ก็พูดความเก่านี่แหละให้ฟังแต่มันก็ยังไม่รู้เพราะทำมาเป็นของเดิมแท้ของเก่าจริงๆ ที่พระพุทธเจ้าท่านคนพบแล้วท่านนำมาสอนสอนความเก่านั่นแหละแต่มันไม่รู้ไม่รู้เพราะเรื่องอะไรไม่รู้เพราะมันไม่สนใจมันสนใจในการพูดการคุยกันเรารู้อย่างนั้นเรารู้อย่างนรู้อย่างนั้นก็รู้แต่มันรู้เข้ามันรู้เข้ามันไม่ใช่รู้ออกมันรู้เข้าความรู้จึงได้มีหกระดับด้วยกันหลพ่อเคยพูดให้ฟังว่าผมรู้รู้จัก รู้จำรู้จักมาจากคนจริงรู้จำเป้าหูได้ฟังรู้แจ้งรู้จริงรู้เข้าแบบนี้รู้แล้วเข้าไปในคมรู้อีกแล้วอันนั้นเขาเรียกว่าวิปัสนูรู้ออกว่าเนี่ยรู้ออกจากคมรู้ของวิปัชนูดังนั้นที่นํามาเแล้วให้ความความจริงใจเพราะว่าเวลาเราไม่ที่หลวงพ่อมาพูดข่าวนี้คือว่านอกเหนือจากคํำช่างของแพทย์ไปแล้ว แค่เขารักษาตัวหลวงพอ่อนี้ยเขาไม่ให้หลวง พ, อพ่อโตคือให้เขาถนอมตัวเพราะว่า โ, โรคหลวงพ่อจะอกาเริบเลวเพราะว่าอันนั้นก็เป็นเรื่องของหมอของแพทหลวงพอ่อหน้าสงสารหน้าโทเลขทําไมคนไม่เป็นอย่างนั้นพูดแล้วพูดอีกพูดแล้วพูดอีกทําไมไม่เข้าใจออคิดอย่างนี้หลว่อเอ๊มนุษย์เอ๊ธรรมดานคนไม่เป็นอย่างนี้นาะพระพุทธเจ้าท่านถสอนเนี่ยกวนศีข่าว เหล่านึ่งมันอยู่ใต้ดินยังเป็นปุ่มอยู่ใต้ดินเหล่านึ่งขึ้นมาเครื่งกลางน้ํเาเหล่านึ่งขึ้นมาค้นน้าเหล่าที่สองหอยลับนะระดับคนมีปัญญานาะคอยฟังแล้วก็ปฏิบัติตามคนบางคนยังไม่ได้มีปัญญาพออาศัยการฟังหลายเพื่อหลายครั้งหลายผลแล้วก็จําได้โพระท่านพูดอย่างนั้นนำไปปฏิบัติ บางทีที่ตุ่มอยู่ในน้ำเขาะยังเป็นอาหารบางที่อาจจะออกมาไม่ได้คนเราก็มีหลายระดับขึ้นเดียวกันที่หลวงพ่อมาพูดเนี่ยคือพูดทุกคมจริงจังหลวงพ่อคิดว่าแต่ละครั้งละหนเนี่ยหลวงพ่อพูดเนี่ยหลวงพ่อไม่ได้ยืมเอาคําพูดของพระพุทธเจ้ามาพูดเลยพระพุทธเจ้าเป็นคนอินดียเกิดในประเทศอินเดีย หลวงพวอ่อเขียนหนังสือไม่เต็มอ่านหนังสือใคไม่ได้เขียนังสือไม่เต็มเพราะหลวงพ่อไม่ได้เรียนภาษาจริงๆและไม่ได้เข้าโรงเรียนก็เลยเขียนหนังสือไม่เต็มอ่านหนังสือไม่เต็มเราจะเอาคาพูดความรู้ความเข้าใจความสัมผัส ข, ของเรามีเราเป็นนี่แออกมาเผยแท่เพื่อให้คนรู้จักคําพูดอันนี้ได้มาจากที่ไหน ได้มาเพราะการปฏิบัติธรรมการเจริญสติคุณค่าของการเจริญสติดีมากจะเทียบเป็นเงินอัตราเงินทองไม่ได้จะเทียบเป็นเงินร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านไม่ได้เรือจะเทียบกับบุคคลที่เรียนความรู้มาแล้วได้ทั้งโลกที่ว่าปฏิญาสั้นปัญญาปฏิ ญ, ญาในคาว่าสั้นปัญญาแล้ว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 ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงอุทานเอาไว้ว่าผู้ใดเห็นธรรมคนนั้นก็เห็นพระพุทธเจ้าหรือพระธรรคตผู้ใดไม่เห็นธรรมคนนั้นก็ซืไว้ไม่เห็นพระพุทธเจ้าไม่เห็นพระธรรคตอยู่ใกล้ขนาดไหนก็ไม่เห็นเลยเพราะไม่รู้ธรรมะเพราะไม่รู้ความหมายมันก็เลยรู้ไม่ได้ดังนั้นคำพูดเนี่ยไม่ได้ไปจําเอาจากตัวหนังสือและไม่ต้องแปล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 เป็นนิสสาทิฏฐิไปดมังถูกเพราะบุคคลผู้เช่นนั้นเขาคิดอย่างนั้นเราลองคิดดูมาที่นี่อายุไม่เกินหกสิบปีเจสิบปีไม่เกินอยู่ในระดับนั้นแล้วพ่อของเธอสอนคำแรกที่สุดสอนอย่างไงอยู่ที่ไหนท่านนั่งหรือนอนกำลังทำอะไรบ้างท่านสอนจาได้ไหมรับ ล, ลอง คนใดจําได้หลวงพ่อเคยถามมาได้วยังน้อยเป็นพันๆคนไม่มีใครจาได้ทั้งหมดอายุเพียงยี่สิบปียี่สิบห้าสิบหกปีไห้จํำไม่ได้จําไมครับแม่ถอนเธอคําแรกสอนอยู่ที่ไหนจําได้ไหมจำไม่ได้พูดเรื่องอะไรจําไม่ได้แล้วเธอเป็นคนโง่หรือเป็นคนสลาบถ้าพวกอย่างนี้ก็ถามตัวเองบ้างพระพุทธเจ้าตายไปแล้วไม่กี่วัน มีทิกษู่องค์หนึ่งช่วงจากต่อพระธรรมวินัยได้ทำสังญญาขารายเคลื่อนครั้งแรกคนมีปัญญารู้ทันทีคนที่ไม่มีปัญญาก็ยังไม่รู้วันนี้สังขารญาณครั้งที่สองก็เช่นเดียวกันจนสุดท้ายสังขารญาณครั้งที่ห้าพระพุทธเจ้าพริริพานตายหรือสวรรคตจะว่าอย่ า, ายงก็ได้ได้สี่ร้อยกว่าปีแล้วแล้วจําได้ไหม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 ไปนั่งสร้างจังหวะเดินจมกรมบางคนพูดคุยกันคําปากคําพูดคุยกันมือก็ทำไปเยอะทำจนตายตมีประโยชน์น้อยที่สุดเดินจงกรมจนเท่าแตกก็เดินจนตายนั่นแหละเพราะว่าคําพูดจิตใจมันไปจดจอ่ออยู่ในคําพูดคุยกันอันนั้นเสื่อผิดทางแล้วไม่สมนตัวเองแล้วให้เขา้าใจอย่างนี้ถึงว่าพูดนี่ไม่ใช่สอน พูดให้ฟังตัวจำมายเองไปปฏิบัติธรรมะขั้นแรกที่สุดมีพระจำนวนยี่สิบสามลูกเลเดโยมห้าคนเป็นปฏิบัติในสำนักนั้นมีพระองค์หนึ่งเป็นพระรูอายุอันสาดยประมาณสามสิบกว่าอันาตีตะปูทั้งวันเดี๋ยวก็ไปคุยคนนั้นเดี๋ยวไปคุยคนนี้เที่ยวสอนคน ตัวเองเนี่ยยังไม่เข้าใจวัตสอนเรื่องอะไรผมรู้แล้วก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งแต่เป็นรุ่นพีอัตมารู้จักวิธีการทำมาหากินเพราะเพื่อนคนนี้รักรักไม่ใช่รักอย่างที่รักคนหนุ่มคนสาวรักอัตมาอัตมาก็ชอบเขาเพราะเขาแนะนำให้รู้จักวิธีทำมาหากินการซื้อการขาย บุญคุณเขามีมากเมื่อไปปฏิบัติธรรมก็ไปด้วยกันอกสะแล้วเพราะว่าชอบกัน<ม>เดี๋ยวก็มาสวนคุยสองวันสามวนแย่อย่างนี้อาตมาคนนี้ในสมันั้นมันปลุกปุติอยู่ในทุ่งหนาไม่มีลมไม้เลยก็ต้องผ้าปุกหัวกับไปเดินอยู่คนนั่นก็มามาก็มานั่งอยู่ที่นั่นบันใดคอยให้อาตมาไปหาอาตมาไม่เข้าไปไม่เกินสามสี่วันก็หายหน้าไปเลย ว่าอาจจะมานี่ไม่พอใจแต่ไม่ได้คุยกันเติดคิดเจ้าเอาเองพอดีออกมาแล้วท่านก็ไม่อยากพูดด้วยเพราะว่าท่านยังมีความซ้ำใจมาไม่พูดไม่คุยอันนั้นเสื้อหูปาผ่านยึดมั่นถือมัน่นถ้าไปมัวพูดมัวโคล ย, ยุบทาจนตายไม่ดังนั้นจํานวนยี่สิบสามลูกแล้วก็ห้าคนรู้ไปคนละเรื่องบางคนรู้ไปใต้น้ํากูเป็นอุ้มรุ่ ใตน้ำนี่เป็นตุ้งกลุล่มกลมๆบางคนบางคนคนรู้ไปทาง ม, มัตถิมิตรทายเป็นในทองมหาสมุทรพุ่นรู้ไปอย่างนั้นบางคนคนรู้ไปเมืองสวรรค์พุ่นไปถึงอินถึงคมพุน่นบางคนคนรู้ไปถึงนรกพุน่นความรู้อันนั้นเห็นไหมที่สูดได้ไหมถ้าไม่เห็นไม่ที่สูดได้อันนั้นชื่อว่าคนหลงหลงแล้ว ไม่เห็นตัวเองแล้วอาตมาไม่เป็นอย่างนั้นอาตมารู้ตัวเองกำลังพูดกำลังคุยกำลังคิดอาตมารู้อย่างนี้รู้อย่างในกอไม่เหมือนกับคนอื่นคมรู้ไม่ก้วงหัวคมรู้ น, น้อยแต่แก้ปัญหาตัวเองได้มีหลายคนถามวิธีแก้ปัญหาคนนะครับพูดให้ฟังมีคนมาถามคอยแก้ปัญหาคนเป็นยังไงเธอรู้ไหม เธอไม่รู้ถามจนตายก็ไม่รู้เพราะเธอไปคอยถามเอาความรู้ของคนนั้นคนนี้มาพูดเท่านั้นเธอไม่สนใจหาตัวเองอาตมาเคยแก้ปัญหาอย่างนี้และบางทีปฏิบัติธรรมะมีการซึ่งจบไหมจบถ้าไม่จบจะมาสอนธรรมมาันต้องมีการซึ่งจบเราเคยได้ยินไหมพระพุทธเจ้ า, ยาท่านว่าจิตหลุดพ้นแล้วย่อมมีจิตมรนุพ้นแล้วย่อมมี ถ้าหากว่าเราไม่รู้จิตสุดพนแล้วย่อมมีจะไปปฏิบัติธรรมไหมเพื่ออะไรเราต้องคิดอย่างนั้นนะักปฏิบัติธรรมดังนั้นวันนี้ที่มานี่ไม่ใช่เป็นคนจังบัดเลยทั้งหมดเราต้องคิดให้บันดีและแม้จ่เป็นคนจังบัดอุดรขอนแกน่นทั้งหมดต้องคิดให้บันดีและแม้จ่เป็นคนภาคอีสานทั้งหมดคนภาคใต้ก็มีมาจาก ขาหาใหญ่ก็นีมาจากภาคเหนือเชียงใหม่ก็มีตัาปางก็มีม า, ากก ม, มาจากอุดรขอนแก่นก็มีมาจากกรุงเทพก็มีคนจังหวัดเลยก็มีเราต้องคำนึงคำนวณเรามีผมรู้แค่ไหนสอนคนได้อย่างไรเราต้องพูดอย่างนี้ที่นำมาพูดให้ฟังไม่ใช่มาโอ้หลวงพ่อนี่ตำหนิแล้วไม่ใช่ตำหนิเตือนเป็นการเตือนไม่ใช่สอนเตือน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 ไม่กำหนดกฎเกณฑ์ที่พูดนี้พูดด้วยความจริงใจพูดมากก็ไม่ค่อยดีหมอเขาสั่งแล้วว่าตายนะแต่มันเป็นธรรมดาคนตายที่จะมากล้าพูดนี่คือว่ายอมเสียทรัพย์เพราอรักษาอวัยวะยอมเสียสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตยอมเสียแม้กระทั่ทงชีวิตหมอห้ามบอกว่าอย่าพูดก็ยอมยอมตาย ก็คิดแล้วมนุษย์ตาดำๆําด้วยกันทําไมเป็นอย่างนั้นทําไมไปคิดอย่างนั้นเมื่อไหรจะศึกษาตัวเองคิดอย่างนั้นถึงโล้มตายลกระจำเป็นพราะหนาอานาใจมากเพราะว่าเห็นเพื่อนตาดำดําด้วยกันพูดแล้วก็อยากย้ําอีกพักหนึ่งก<ม>ารมาปฏิบัติธรรมครั้งนี้ไม่ใช่อวดดีเอากลมจริงมาพูดให้ฟัง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 โอพระพุทธเจ้าสอนให้คนรู้ทุกเหตุให้เกิดทุกรู้จักสมุฐานของทุกและกาวิธีดับทุกให้เส้นลงท่านสอนสี่ข้อเรียกวตัดจักสี่อย่างนี้ดังนั้นพวกเรามาปฏิบัติที่นี่เวลาน้อยเจ็ดวันบางคนก็ขึ้นมาบางคนก็มานานแล้วบางคนก็เรียนมาอย่างน้อยก็ต้องพอสี่จบ อาตมาไม่ได้เคยเรียนป .4 เลยไม่เคยรู้เลยบางคนก็เรียนจบมัธยมบางคนก็เรียนจบมหาวิทยาลัยคือปริญญาตรีโทเอกบางคนก็เรียนนักทันตีโทเอกจบประโยคเก้าก็มีประโยคสามแล้วแจะใครจะเรียนแล้วทําทไมพูดอย่างนั้นเป็นการทําลายคําสอนของพระพุทธเจ้าไปแล้วอันนี้แหละคําพูดอันนี้แหละ เทนำมาฟื้นโหให้พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในจิตในใจของทุกคนพระพุทธเจ้าโยเทไหนพระพุทธเจ้าคือคนถ้าพูดกันเห็นนะ่ะให้เห็นนะ่ะตาดำดำเหมือนกันคนเหล่านี้แหละพวกท่านทั้งหลายศึกษามามากแล้วว่าธรรมะที่ทําให้พระพุทธเจ้านั่นมีมาก่อนพระพุทธเจ้ามีมาก่อนแล้วเราจึงวอกของเก่าพูดกับพูดคําเก่า แล้วก็เห็นกัเห็นของเก่าไม่ใช่เห็นของใหม่ถ้าไม่มีเราจะไปศึกษาได้ทําไมของมีแล้วอยู่ในเราทุกคนไม่ยกเว้นดังนั้นใครต้องการอยากศึกษาปฏิบัติก็ต้องลงมือ ท, ทําจริงอย่าไปมัวพูดมัวคุยกันอันพูดคุยกันนั้นไม่ใช่เป็นการทําลายเฉพาะตัวเองเป็นการทําลายคนอื่นอีกด้วย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 คนมีปัญญาเขาจะพูดแต่ความจริงสอนคนด้วยความจริงใจไม่ได้สอนเพื่ออุจลิไม่ได้สอนเพื่อการทำลายวันนี้ที่อาตมาพูดนี่ก็เช่นเดียวกันไม่ได้สอนเพื่อทำลายไม่ใช่สอนเนี่ยพูดให้ฟังถ้าคนใดสนใจจริงๆแล้วปฏิบัติได้อัตาเดือนๆของคุณกี่ตะตงังพูดมาพันบาทปฏิบัติสามเดือนเอาให้เลยสามพันบาท การอาหารเรื่องกินเนี้ยไม่ต้องพูดถึงอาจจะมาเรียงได้ถ้าอามาเงินเดือนสองพัน 2, บาทให้ไปหกพันบาทถ้าอามาเงินเดือนหมื่นบาทให้สามพันบาทรับรองได้เปียนแค่นี้ปีหนึ่งรับรองไม่ได้พ่อได้รับเงินจํานวนนี้มาจากคุณสุพลห้าหมื่นบาทคุณสุพลให้เงินมาห้าหมื่นบาทพ่าอจะมามีความสามารถอย่างนี้แล้วก็มีโยมอะไรโยมเจียงแหละที่มาที่นี่แหละพูด แต่เมื่ออยู่กรุงเทพให้มาหมื่นบาทก็มาสร้างสะเพาะศลาอุตติบางเล็กน้อยแล้วก็คนอื่นให้มาคนลสะสตางค์สองสตางเสร็จไว้แล้วก็จะมาซื้ออาหารเลียเ้ยงพระภิกษุจำเนรอยู่ด้วยกันเนี่ยไม่มีใครแหละเกี่ยบขัดข้องกันรวมกันอ่ามีสตางหนึ่งก็รวมกันเป็นนําหนึ่งใจเดียวกันแม้น้ําเข้าส่วมให้ผ่าจักให้คิดให้ดี อาหารการกินพระ เ, เนรที่นี่แหละจัดการกันเองเพราะสมบัติมีในที่นี้แต่ทรัพย์สมบัติอันนั้นไมเป็นของใครเป็นคนกลางๆแล้วก็อาจจะมาลงคมเห็นมาทาอย่างนั้นเถอดก็เห็นด้วยกันแม้กระทั่งถ้วยจานกินแล้วก็ให้หมีเดินได้สบายพระ เ, เนรเส็จไปให้เจ้าของคนที่มาเลี้ยงทำใจได้สบายทำไมไม่เห็นใจด้วยบ้างหรือเปล่าคิดให้บันดี แต่ละวันละวันคิดเป็นเงินกี่สตางค์ไม่ต้องคิดถึงถ้าเนที่นี่พร้อมใจกันเพื่อจะสนับสนุนให้พวกเราทุกท่านได้ะจะเจริญสติอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยให้รู้สภาพภาวะของจิตใจของเราจริงๆคนที่มาใหม่วันนี้ฟังต้องพลิกมือขึ้นคว่ว ม, มือลงชายพาให้รู้ตัวเองให้รู้ลูก ร, ร, รู้น้า รูปอยู่ที่ไหนน้ำอยู่ที่ไหนเราจะรู้เองอย่าไปสนใจถามคนถามจนตายและไม่รู้มันเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาเข้าหูขวาทะลุหูซ้ายเพราะจิตใจบันมืดบอดจิตใจเปนไม่สว่างเรียกวัวใต้น้ําถ้าเราโผล่ขึ้นมาเหนือน้ําแล้วบับ น, นี้มีคนพูดให้ฟังเราเคลื่นอนวัดตัวเหล่านี้เองเป็นลูกเป็นน้ำจะเข้าใจเอง โดยไม่ต้องถามใครที่ไหนเลยเมื่อรูกจักรลูกนามแล้วก็ต้องหลงรูดจักรลูกทำนามทำทำมีอะไรบ้างการทำดีบ้างทำชั่วบ้างหรือทำด้วยกายบ้างทำด้วยวาจาบ้างทำด้วยใจบ้างการทำมันเป็นอย่างนั้นไม่ต้องถามใครแหละเรื่องนี้อาจจะมาไปปฏิบัติไปต้องถามใครอยู่ที่ไหนมีอาจารย์เอาไปถามเมื่อ จบภาคโต้เดี๋มันเกิดปัญญาไม่ใช่จบแค่นี้นะภาคโต้นอจะมาพูดให้ฟังหลายครั้งแล้วรู้จักรูปนามรู้ทมนามทำรูปโลกนามโลกคุกขังอนิจจังอนัตตรูให้หมดทีเดียวแล้วก็รู้สมมุติแม้จะสมมุติอะไรก็รู้ให้หมดแล้วก็รู้ศาสนารู้พุทธศาสนารู้บาปรูบุญรู้จริง เมื่ออาจารย์เรียกไปถามถามท่านว่าโยมนะรู้อะไรบ้างรู้ตัวเองครับเอ๊ะคนไม่รู้ตัวเองก็เหมือนกับคนตายลน่โอ้จริงครับผมเหมือนกับคนตายมาระยะเวลาหลังๆมาเนี่ยตื่นแล้วดิครับตื่นทำไมก็รู้ตัวเองเนี่ยครับ อ, อย่างนั้นหลือท่านเลยถามเกลือเค็มไหมเอ๊ะเกลือไม่รู้ว่าผมไม่รู้เอ๊ะทำไมเราเกลือไม่ไม่รู้ทำไมไม่เคยกินเกลือ เครกินแต่เดียวนี้ไม่รู้พ่อเกือไม่ได้อยู่ในดีค ม, มไม่รู้ครับเอุ๊บบ้าบ้าบอกบอก บ, าบา้าจริงจิงบ้าผมกับป้าฐานมันเหมือนกันมันต้องไปอย่างนี้แล้วท่านก็ถามมักพิษเผ็ดไหมเอ๊มักพิษก็ยังไม่เคยรู้ไม่เคยกินสิเคยกินี้ครับแต่มันไม่รู้หรือดีมันไม่ดีดังนั้นการถามคนอื่นนั้นยังควรมุกสิ้นไม่ดีเพราะเราไม่รู้เนะี่ยจะไปจบสิ้นเนี่ยทำไมท่านก็เลยวกเข้ามาถามดำอะไรดำ เนื้อดำไปได้ไม่มีอะไรแหละครับดำก็สุดกับดำแดงก็สุดกับแดงการแก้ปัญหาอเนนเป็นเพียงแก้เอาตัวหลอดผมรู้สักนี้นี่เอาตัวหลอดแต่ว่าแก้ได้เป็นบางอย่างคือแก้ได้โดยไม่ไหวสีไม่สูบบุหรี่คราวนั้นติด บ, บุหรี่รู้จักทุกเกืนน้ำลายเป็นทุกหายใจเป็นทุกรับประทานอาหารเนี่ยเที่ยวเข้าเป็นทุกรู้จักทุกจริงๆ รู้จักจริงเลิกในขณะนั้นจริงๆข่าวนั้นติดบุหรี่อย่างหนักติดหนักคนสูบบุหรี่กายไปนี่ต้องตุกมือที่มีแรงแต่บุหรี่มันก็มีแรงเนี่ยมันเป็นขนาดนั้นเนี่ยพวมซัวลายมันฝังมานานแล้วไม่ว่ากิเลสก็ได้หรือว่าคนง้ ก, ก็ได้หรือว่าอันธพานก็ได้หรือจะว่าอะไรได้ทั้งนั้นเราเคยได้ยินไหมอาเสบรรณาจะพาลานังปันติตานันจะ เสบนรราปูซาจ่าปูซาเนียานางเอตมังคลมุตตมังเป็นมงคลอันยิ่งพันสอนคำว่าเสบรรณาจะพาลานางเราไปพบคุณทานเราไม่พบคุณทานเราจะพบบัณฑิตคนทานที่ไปโกหกคนนั้นคนนี้กินเหล้าเมาสุลาตามถนนห น, น, นทางฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ปุ้นที่อันนั้นเราเลิกได้ตึ๊ใจเดียวเท่านั้น แต่คนทานเฉพาะในตัวเรานี่แหละมันเลิอกอย่างลุกมันลุกด้วยนั่งมันนั่งด้วยนอนมันนอนด้วยไปไหนมันไปด้วยเนี่ยล่ะคนทานคนทานตัวนี้หน้าตาเป็นลักษณะไหนเห็นแล้วหรือยังไม่ตูวคนทานตัวนี้นคือลืนตัวนั่นแหละคือโมหะนั่นแหละโมหะเข้าข้าอมามจิตใจมัณฑิตานัา่นจะเฉบนาปูซาจะปูซานิญานั่ง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 อันนี้บันดิตแต่ไม่ตรงกับตำราพูดจะ่งนั้นทำลายคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้เนี่ยตรวจิ่งแยนแท้ดังนั้นการศึกษาธรรมะแบบที่จเลิ่อนสติให้ติดต่อเนื่องเนี่ยมันค่อยๆมีอันดีและมีอันเลวร้ก่อีแต่เจออันนี้เข้ามาอันเลวร้ายก็แสลงขึ้นมาพอดีรู้เรื่องศาสนาจบบาปบุญจบ มันมีกลมรูชนิดหนึ่งแฝงแฝ ง, งขึ้นมาข่าวนั้นระยะนั้นน่ะพอตอนอย่างที่เราสันเซาได้ระยะเดี๋ยวนี้สองโมงอาจจะมาเป็นโยมไปเทศให้เทวดาฟังพูดไปนคนเดียวยนืนพูดเดินจมกลมไปข้างนั้นพูดให้เทวดาฟังเดินหันมาข้างนี้พูดให้ผีฟังไม่เห็นผีไม่เห็นเทวมันลืมมันลืมสมมุติไปเลย ม, มาเข้าในสังกันี้ว่ารูข้าว ไม่ใส่รูออกรูข้าวมันเข้าไปในขคมคิดแล้วแต่สติปัญญาไม่แหลงอาจจะมาเคยเปรียบให้ฟังว่าเหมือนกับหนูกับแมวแมวตัวเล็กเล็กหนูตัวมันโตพอดีหนูโผล่ออกมาแมวมันไม่เคยกลัวมัจับหนูหนูก็วิ่งไปแมวก็ติดหนูไปเหนื่อยแล้วก็วางหนูแต่เนี่ยเริ่มจะเห็นขมคิดมาแล้วเี่ยเปรียบเทียบพ อ, อดีอย่าไปตำหนิแมว มึงทำไมไม่จุบอจัดหนูมันไม่แรงๆนะมัตัวเล็กไม่จับแรงไม่ได้เราต้องให้อาหารแม่มากๆแมวมันกินข้าวมีอาหารมีเดียมีติดมันก็โตเร็วเมื่อพอดีมันตัวขึ้นมาตัวมันโตมีกําลังแรงอย่างเต็มที่หนูออกมามันไม่เคยถัวจับปุ๊ทีเดียวหนูกะดิกตัวมันด้ตายเลยวิธีปฏิบัติอันนี้ก็เช่นเดียวกันอุปมาให้ฟังหลายเรื่องคนเมาเหล้า อาจะมาเคยเห็นแต่แต่มาไม่เคยเมาขนาดไหนเมาใ น, น้อยถ้าเมาเพรชอบกินเบียร์เบ <c oughs> ียร์มันไม่เ ม, มามากเมาในน้อยพอดื่ซึ่ง <c oughs> เอาเธอลงน้องหรือเอาหรืออาใครก็ตามถ้าเมาต้องจับนะเลิกเถอะไปนอ น, นะก <c oughs> ูไม่เมาไม่เมา <c oughs> ถ้าหากว่าสำนึกได้คนกำลังพูดกำลังคุยบ้าพูดบ้าคุยนี่แหละ <c oughs> คนปฏิบัติธรรมะบ้าพูดบ้าคุยนี่แหละ